นขนาดนี้บางทีก็ถอยออกจากสมาธิพอถอยออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีกายย่อมเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาแล้วจิตจะย้อนไปทบทวนความเป็นภายในขณะที่รู้เห็นนั้ำตั้งแต่ต้นจนปลายเขาจะพิจารณาทบทวนของเขาไปเองโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเมื่อเขาพิจารลาทบทวนสิ่งที่เขารู้เขาเห็นโดยอัตโนมัติในที่สุดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงและยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏขึ้นนั้นแล้วเขาจะตัดกระแสะแห่งความรู้โดยสมมติบัญญิว่าอะไรเป็นอะไรเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างอีกทีหนึ่ง ในตอนนี้ปิติและความสุขจะบังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลินกระทั่งจิตปล่อยวางปิติความสุขเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งคือเอกขตะเมื่อจิตนิ่งว่างสว่างอยู่ในความเป็นหนึ่งปรากฏการันแปลกประหลาด จ, จะเกิดขึ้นแก่จิตของกู้ปฏิบัติโดยภายในจิตของเขาจะมีความสงบนิ่งสว่าง แต่จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวิ่งวนรอบจิตของเขาเปรียบเือนกับกลุ่มเมฆหมอกจจตของเขาจะสงบนิ่งว่างอยู่ในถ้ำกลางโดยไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์นั้นๆแล้วจะทรงตัวอยู่ในสภาพที่เป็นปกติคือสงบนิ่งอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอย่างละเอียดนั้นคือสภาวะธรรมขั้นละเอียด สภาวะที่ปรากฏขึ้นนั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอ้เจ้าจิตตัวรู้นี่ก็จะรู้นิ่งอยู่เฉยๆไม่หวั่นไหวตามอาการนั้นๆอาการของความยินดีไม่มีความยินร้ายไม่มีอาการที่จะรู้สึกนึกคิดอะไรไม่มีทั้งนั้นแต่อะไรปรากฏการขึ้นมาจิตรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นการรู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติทำไมจึงเป็นเช่นนั้นโดยตัวแท้ของสัจธรรมแล้วสัจธรรมของจริงที่ปรากฏกับจิตผู้ปฏิบัติย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรเจ้าจิตก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิต เชงที่จิตโลกเขาก็ไม่เรียกว่าอารมณ์หรือสิ่งใดทั้งสิ้นทุกเชิงทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างมีปรากฏการต่างคนต่างรู้โลกอย่างไม่มีสมมติบัญญัติคือไม่มีเชื่อเสียงเรียงนามจะเรียกว่าอะไรระดับนี้จิตของผู้ปฏิบัติทีดตัวขึ้นไปอยู่เหนือโลกอยู่ในขั้นแห่งโลกุจฉะ ภูมิธรรมะที่เกิดขึ้นในขั้นโลกุตตะละขั้นเหนือโลกนั้นย่อมเป็นของจริงที่อยู่เหนือสมมติบรญญัติอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีมีแต่สิ่งที่ปรกกากฏอยู่ตลอดเวลาไม่มีโดยไม่มีภาษาที่จะเรียกอโซภะกรรมฐานความสุปกสปรกโศกปฏิคูลไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียก เดินน้ำลมไฟไม่มีเพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรแต่สิ่งนั้นเป็นปรากฏการอยู่โดยธรรมชาติเป็นกฎแห่งความจริงที่ปรากฏโดยเด่นชัดเพราะฉะนั้นการพิจารณาธรรมในขั้นโลกีจะมีสมมติบัญญัติเช่นเราจะพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของปฏิกูลหน้าเกลียดโสโคร เราล้อมนึกพิจารณาจนกระทั่งจิตยอมรับว้าเป็นสิ่งปฏิกูลจริงๆแต่ถ้าจิตสกปรละเอียดลงไปแล้วรู้ความปฏิกูลนั้นแม้จะมองเห็นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดสักเท่าไหรก่ก็ตามสกปรกเท่าใดก็ตามเนื่องจากจิตไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเพราะรู้อย่างไม่มีสมมติปัญญิ ความรู้สึกปฏิโกณ น, น่าเกลียดในขณะนั้นจะไม่มีเพราะโดยธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ในเมื่อเรารู้จริงเห็นจริงแล้วคำว่าน่าเกลียดก็ไม่มีคำว่าน่าชอบน่ารักก็ไม่มีคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาัตตาก็ไม่มีมันมีแต่ปรากฏการโดยธรรมชาติพอเหมาะพอดีกัน มีอันมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลสิ่งที่เป็นอยู่นั้นจะเรียกว่าอะไรในขณะนั้นจิตมันไม่เรียกจริงๆถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในเมื่อรู้แล้วเอาอะไรมาพูดให้เราฟังเมื่อพระองค์รู้แล้วแม้ในขณะที่ตรัสรู้อาจจะไม่มีภาษาที่จะเรียกว่าอะไรเป็นอะไร แต่เมื่อออกมาจากความรู้ความเห็นความเป็นเช่นนั้นพอสภาพจิตมาสัมผัส่ามีร่างกายจิตจะร่อนมีเครื่องมือสาหรับใช้สอยคือกายเป็นเครื่องมือของจิตเจอจ่อม จ, จะเกิดความเลกคิดขึ้นมาทันทีในเมื่อเกิดความเลกคิดขึ้นมาแล้วจิตก็จะย้อนไปพิจารณาสิ่งที่รู้เห็นในสมาธิขั้นละเอียด ตั้งเป็นภาษาสมมติบัญญัติขึ้นมาว่าอะไรเป็นอะไรเอาภาษาสมมติบัญญัติของโลกนี่แหละมาว่ากันจะไปเอาภาษาเทวดาอินทร์หรือภาษาพูดผีปีศา์มาพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะพระองค์จะแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังจึงเอาธรรมะเจงเอาภาษาของมนุษย์มาบัญญัติชื่อธรรมะที่พระองค์รู้ แล้วก็มาเล่าสู่บรรดาพุทธบริษัทฟังแล้วเอาภาษามนุษย์มาพูดะนุษย์ฟังแล้วก็เข้าใจแต่รู้เรื่องรู้เรื่องแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองได้นี่คือวิถีความเป็นของจิตของนักปฏิบัติทีนี้ เรามีวิธีการที่จะปฏิบัติต่อบริกรรมภาวนาอีกอย่างหนึ่งที่เราเล่ามานี่บางท่านอาจจะคิดว่าทําไหมทําจิตให้ได้ถึงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องยากยากจริงๆตั้งแต่เริ่มภาวนามานี่จิตยังไม่สงบขนาดถึงตัวหายเลยมีตั้งแต่ความฟุ้งซ่านลาคาญ บริกรรมภาวนาพโพโตโพโตโพโตโพโตปรเดียวเดียวบรลืมพโพโตแล้วไปคิดอย่างอืน่นพยายามมาทั้งหลายปีดีดักมันก็ไม่สงบเป็นหนึ่งไม่มีปีติไม่มีความสุขไม่ได้สมถะภาวนาสักทีในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะคอยให้จิตของเรานี่สงบนิ่งเป็นสมาธิมีสมถะมีอัปนาสมาธิ ถ้าเผื่อว่าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไม่ตายก่อนหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นเรามีวิธีการที่จะต้องปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาข้อนี้เมื่อเราบริกรรมภาวนาอยู่ถ้าจิตของเราอยู่กับบริกรรมภาวนาเรื่อยไปก็ปล่อยให้เขาอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแต่ถ้าเขาทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่น ก็ปล่อยให้เขาคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดไปเรื่อยๆโดยถือเอาความคิดที่เกิดขึ้นเองนั่นแหละเป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งเ ล, ล็กของสติทำสติกำหนดจดจ้องตามรู้ทุกวาระจิตที่เราคิดแล้วในที่สุดเมื่อสติมีพลังแก่กล้าขึ้นจะมีประสิทธิภาพพอที่จะรู้ทันเหตุการณ์ภายในจิต สาเตโรธันวาราจิตติคิดไปเมื่อไรความสงบจิตซึ่งเรียกว่าสมาธิย่มเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็มีปีติมีความสุขมีวิตกวิจารปีติสุขเอกขาตาเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอันนี้วิธีปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบเป็นสมาธิอย่างละเอียดได้ทีนี้มีปัญหาอยู่ว่า เมื่อจิตทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดถึงอย่างอื่นแล้วเราไม่เอามาหาบริกรรมภาวนาอีกปล่อยให้มันคิดไปมันจะไม่กลายเป็นความฟุ้งซ่านห ร, อหรือในขั้นแรกมันอาจจะเป็นความฟุ้งซ่านแต่ถ้าเราฝึกขัดทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาความคล่องตัวของการกำหนดตามรู้ก็อย่อมจะมีขึ้น แล้วในที่สุดเมื่อเกิดมีการคล่องตัวมีความคล่องตัวของการกำหนดทีแรกเราอาจจะตั้งใจกำหนดทำสติตามรู้แต่เราฝึกการคล่องจนชำนิํนานาญอาศัยการอบรมให้มากมากทำให้มากมากในที่สุดเพราะความเคยชินและความคล่องตัวสติของเราจะตามรู้วารดจิตของเราไปเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ ก็แสดงว่าการภาวนาของเราเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้วิธีการปฏิบัติสำหรับบุคคลผู้ไม่สามารถจะทำจิตให้สงบละเอียดได้เรามีช่วงที่จะปฏิบัติสลับกันไปหนึ่งบริกรรมภ า, าวนาไว้ก่อนเมื่อจิตล่อยทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปจนสุดช่วงมันแล้วเราทำสติตามรู้ ถ้าหากว่าไปสดช่วงมันแล้วมันนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่คิดอาการคันสมามาที่ไม่เกิดขึ้นเราย้อนมาบริกรรมภาวนาอีกใหม่เมื่อมันปล่อยวางคําบริกรรมภาวนาไปคิตอย่างอื่นปล่อยให้คิดไปทำทสติตามรูปไปดังที่กล่าวแล้วปฏิบัติสลับกันไปมาอยู่อย่างนี้โดยอาการโดยอาศัยการ อ, อบรมมากๆทําให้มากๆทาจนชานิําราน ทำทำจนคล่องตัวแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองและมีอีกปัญหาหนึ่งที่ควรจะทําความเข้าใจสําหรับผู้ที่บริกรรมภาวนาแล้วจิตสง บ, บเป็นสมาธิที่นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งไม่เกิดความรู้ความเห็นอะไรเมื่อท่านสามารถทําจิตให้สง บ, บนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิขั้นละเอียดได้แล้ว เมื่อจิตของท่านถ อ, อนออกมาจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่าเรามีกายความคิดย่อมเกิดขึ้นทันทีเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านย่งละโอกาสรีบทมสติตามรู้ความคิดนั้นไปโดยในที่กล่าวแล้วเมื่อทมสติจดจ้องตามรู้ความคิดไปถ้าสติตามทันความคิดความคิดจะกลายเป็นองค์ปัญญา เป็นสิ่งโลของจิตเป็นสิ่งละลึกของสติความคิดจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเรากำหนดเอาความคิดเป็นสิ่งลูลของจิตสิ่งละลึกของสติเมื่อสติแก่กล้ามีพลังเข้มแข็งขึ้นกลายเป็นสตินสีแล้วจิตของเราจะเกิดนิจจะสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าความคิดก็ไม่เที่ยง เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำเนินเข้าสู่ขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานเองโดยอัตโนมัตเมมิเมื่อทำคารเมื่อทำอดีตได้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีถ้าหากสมาธิถอนขึ้นมาแล้วเราไปมัวดีใจกับความสงบเลยจะเป็นด้ว่าเราทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิได้ดีแล้วดีแล้วพอใจแล้ว ไปพอใจแต่เพียงแค่นั้นเมื่อเจตนาวานเพราะความดีใจรีบกระโดดโลดเส้นออกจากที่นั่งสมาธิไม่ชะลอเวลาอยู่สักพักหนึ่งก่อนเราก็ได้เพียงแค่ความสะกบแต่ถ้าเราชะลอเวลายังไม่รีบออกจากที่นั่งสมาธิมาย้อนพิจารณาดูอีกทีหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเราเราเริ่ม นั่งสมาธิเริ่มกำหนดอารมณ์พิจารณาตรวจตาดูว่าจิตของเราเป็นอย่างไรสงบหรือไม่สงบผ่านอะไรเข้าไปบ้างมีปีติสุขเอกัคจารไหมเพียงแค่นี้ก็เป็นอุบายทําให้เราเกิดสติปัญญาเมื่อเราพิจารณาก็ควรดูจนจบเรื่องที่เราพิจารณาแล้วมายับยั้งจิตให้เฉยอยู่สักพั้หนึ่ง เมื่อความคิดเกิดขึ้นเรียบธรรมสติตามรู้เอาสิ่งรู้นั่นเป็นอารมณ์ของจิตทำสติตามรู้ไปเป็นการพิจารณาอารมณ์ในขั้นแห่งวิปัสสนากรรมฐานการปฏิบัติ ด, ด้วยการบริกรรมภาวะดาก็ดีการปฏิบัติ ด, ด้วยการยกติดขึ้นพิจารณาอะไรก็ดีเช่นพิจารณากายจักราสติพิจารณารูปรามก็ดี หรือกำหนดจิตทำสติตามรูปความคิดก็ดีการปฏิบัติการแบบจังที่กล่าวไาจุดมุ่งก็เพื่อทําจิตให้เป็นสมาธิขั้นสมถะเมื่อสมาธิขั้นสมถะไม่มีสมาธิไม่มีฌานก็มีไม่ได้ได้เมื่อไม่มีฌานคือการเพ่งดูจิตและอารมณ์ปัญญาก็มีไม่ได้ปัญญาก็คือความคิด ถ้าเมื่อความคิดไม่มีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์วิชาความรู้แจ้งก็มีไม่ได้หรือวิปัสสนาก็มีไม่ได้เพราะฉะนั้นความสงบของจิตขั้นสมถกรรมฐานจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสนาปัญญาความคิดหรือสติปัญญาที่เราตั้งใจคิดที่เราเรียนรู้มาจากตำลับตำรารู้มาจากการได้ยินได้ฟัง รู้มาจากการค้นการคิดอันนี้เป็นสติปัญญาธรรมดาแต่เมื่อจิตสงบลงแล้วจิตผุดเป็นความรู้ขึ้นมาจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้อันนั้นเรียกว่าสมาธิปัญญาแต่นัาปฏิบัติทั้งหลายอยา่าไปตั้งใจปฏิบัติเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาสมาธิหรือเดินจงกรม ให้พยายามทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินด น, นั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดพคกลมหายใจอันนี้เป็นจุดจืนของนักปฏิบัติถ้าหากเราเอาแต่เวลานั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นการสำมรวมจิตหรือเป็นการภาวนาเท่านั้นเราอาจจะนั่งสมาธิภาวนา ว, วันละสามสี่ชั่วโมงแต่หากเวลาที่เราปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตาม กิเลสแต่อารมณ์มากกว่านั้นเจตของเราจะไม่สามารถสร้างพลังขึ้นมาต่อต้านกับความรู้รู้สึกฝ่ายข้างต่ำคือกิเลสแต่ถ้าเราทํำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคาพูดคิดอยู่ตลอดเวลาหรือทุกลมหายใจเราจะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ทุกลมหายใจทําสมาธิอยู่ทุกลมหายใจปฏิบัติสมะถะวิปัสสนาอยู่ทุกลมหายใจ เราจะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ทุกลมหายใจการทำสติสังวรระวังคอยดูอยู่นั่นและคือวินยัยความมั่นใจต่อการที่จะกําหนดรู้กิเลและอารมณ์ของตัวเองนั่นคือสมาธิความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นดับไปในขณะที่กําหนดอยู่นั่นคือตัวปัญญาเศีล ส, สมาธิปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการทาสติ ตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดในขั้นแรกๆเราอาจจะลำบากหน่อยแต่เมื่อเราฝึกภัคอบรมบ่อยๆเข้าทําให้มากๆจนเกิดการคล่องตัวภายหลังเราจะไม่ได้ตั้งใจกําหนดตามรู้สิ่งดังกล่าวแต่จิตของเราจะมีประสิทธิภาพสติของเราจะมีประสิทธิภาพตามรู้ไปเองโดยอัตโนมัติวันนี้ขอกล่าวธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติ ในขั้นสมถากรรมฐานในวิปัสสนากรรมฐา น, าานาพอเป็นคติเตือนใจได้เป็นแนวดำบิของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแต่ากาละเวลาจึงขอยุติด้วยประกาละแช่นี้ <c oughs> ในเมื่อพูดถึงเรื่องการทำสมาธิพ่าที่ได้ยินได้ฟังมาถ้าชวนชาวบ้านเขาทำสมาธิเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเวลา ที่ว่าไม่ค่อยมีเวลานั้นบางกีพระท่านสอนสมาธิท่านอาจจะให้งานหนักเกิดไปชาวบ้านจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสดวิสัยที่เราจะทำได้ทีนี้เราลองมาทำสมาธิแบบแบบที่มันไม่ขัดต่องานต่อการไม่ขัดต่อวิชาความรู้ไม่ขัดต่อหน้าที่ลองลองดูซิว่าสมาธิแบบนี้ มันจะได้ผลพอเป็นเครื่องสนับสนุนกิจการที่เราทำอยู่บ้างหรือไม่อยากจะใครขอร้องให้ท่านผู้เป็นปัญญาชนทั้งหลายช่วยกันที่สุดสมาธิแบบนี้ขอใช้คำว่าการบำเพ็ญกรรมฐานเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจบวันด้วยพิธีการทำาตําำหนดทำแต่ติ ตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดทุ ก, กลมหายใจไม่ว่าเราจะทําอะไรทั้งนั้นเอาสติเป็นตัวนําสติที่เป็นตัวนําที่เราตั้งใจรู้อยู่ตลอดเวลานั่นคือพุทธะเดียกว่าเอาพระพุทธเจ้าตามไปทุกวาระจิตที่เราคิดอะไรเวลาเราเดินมาทํางาน ดยเดินจากโต๊ะนี้ไปโต๊ะนต์นึกขึ้นมา ท, ทันทีว่าเราเดินจงกรมแล้วทำสติตามรู้กับการเดินนั่นไปพอนั่งปัพบลงเราเลิกว่าเรานั่งสมาธิแต่เราเิ็ดรูอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราใช้ความคิดเราคิดเรื่องอะไรทำสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นโดยเอาสิ่งที่เราคิดเป็นอารมณ์กรรมาฐานเมื่อเราเขียนหนังสือทำสติอยู่กับการเขียนหนังสือ เราจะทำงานอะไรเดินไปก้าวไปถอยกลับหรือทำอะไรจิจปาะที่เป็นจิตทุลหน้าที่ของเราเพื่อเอาสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์กรรมาฐานทันทีด้วยยศคติว่าการทำสมาธิคือทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกแม้แต่วความคิดที่เราคิดจนอยู่พอคิดอะไรขึ้นมาปั๊บทำสติรู้ทันทีอย่าไปละโอกาส เมื่อเวลาเราเกิดความฟุงชั <c> ่น <oughs> โดยปกติธรรมดาแล้วคนทำงานใหญ่โตถึงขนาดที่อยู่ในสังกัดของสถาปันเนยจะต้องใช้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโู้ที่มีหน้าที่ควบคุมกิจการในทางด้านสินเชื่อเนี่ยเข้าใจว่านอนไม่ค่อยหลับกลัวว่าลูกนี่มันจะโกง ทีนี้ในเมื่อจิตของเรามันเิอความปุ้งต้านหรืกังวลกับสิ่งนั้นๆเราปล่อยให้มันปุ้งไปเถอะให้มันคิดไปปล่อยให้มันคิดไปจนมันสดช่วงเขง้ามดแต่หน้าที่ของเราพยายามกำหนดจิตทำสติตามรู้มันไปเอาสิ่งที่มันคิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละเป็นอารมณ์โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกพลังจิตอย่างหนึ่งมันจะเกิดขึ้นคือตัวสติ ตัวสติที่มันจะตามรู้ทันเหตุการณ์ต่างๆเมื่อสติตัวนี้มันตามทันเหตุการณ์ต่างๆในท่าทีที่เรียกว่าเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดเราจะได้พลังทางสติทีแรกเราอาจจะลำบากหน่อยในการที่จะกำหนดสติตามรู้สิ่งเหล่านี้แต่เราตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมใช้เวลาสักสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งติดต่อกัน แล้วคอสังเกตดูความรู้สึกของเราจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปในตอนแรกๆในเราคุมรู้สึกว่าเราจะควบคุมความรู้สึกของเราให้ตามรู้สิ่งที่เราเนึกเราคิดแต่เมื่อเราเปิดขาดจ้ากล้องตัวแล้วเราคิดอะไรพักสติมันจะทําหน้าที่ของมันทันทีเนีให้สังเกตลองลองฝึกดูการเฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ต้องนั่งสมาธิ ไม่ต้องไปเข้าห้องกรรมาฐานเจ็ดวันสิบห้าวันไม่ต้องไปอดข้าวแดงแกงร้อนไม่ต้องไปทรมานตัวด้วยประการใดบารุงร่างกายให้มันมีความสุขสมบูรณ์มีกําลังกายเมื่อกําลังกายสมบูรณ์กําลังใจที่จะทํามันก็มีถ้ากายมันอ่อนแอเจอโรคไอไข้เจ็บเบียดเบียนขึ้นมาแล้วใจนี่มันจะแข็งสั่เข้าแข็งกระเทืินเอ สู้ความเจ็บไข้ไม่ได้มันก็เกิดความท้อแท้ไปเองเพราะฉะนั้นใครจะเป็นนักปฏิบัติธรรมอย่าไปทรมานร่างากายพระพุทธเจ้าให้ถือหลักว่าโพชนเนมันตัญยุตตารู้จักประมาณในการบริโภคและพยายามทำสติตามรู้สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุด แล้วการทำสมาธิโดยไม่ต้องนั่งสมาธินี่โอกาสที่จิตจะสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขได้ฌานได้ญาณอย่างที่พระท่านสอนมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคาพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจจนเกิดความคล่องตัวสมาธิมันจะไปเกิดขึ้นเวลาที่เรานอนหลับ เพาะโดยธรรมชาติของบุคคลผู้ที่ทำตติอยู่ตลอดเวลานี่แม่นอนลงเขาก็ต้องทำส ต, ติของเราจนกระทั่งนอนหลับเมื่อเขาคิดอะไรเกิดขึ้นมาเขาจะต้องรู้ว่าเขาคิดอะไรและเอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์อยู่ในปัจจุบันก็เกิดการนอนหลับลงไปจิตจะเข้าสู่สมาธิแทนที่มันจะหลับมืดไปอย่างธรรมดา แต่พอนอนหลับลงแล้วสมาธิเกิดจิตจะเกิดสว่างสวัยอยู่ตลอดคืนดั่งลุง่งทีนี้ในขณะที่จิตสว่างสวยอยู่นั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้นอนหลับแต่ความรู้สึกทังวลเกี่ยวกับร่างกายไม่มีมีแต่ใจชื่นชื่นเบิกบานปลอดโปร่งมีธรรมชาติแทนความเป็นพุทธะบังเกิดขึ้นคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตที่นิ่งอยู่เป็นปกติ โลยู่เป็นปกติสว่างถวยอยู่เป็นปกตินั่นคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นในจิตของท่านผู้ภาวนาที่นี้ในขณะที่นอนหลับและสภาพจิตเป็นอยู่อย่างนั้นปัญหาอันใดที่มันยังคล่องใจอยู่ในเวลาที่เราทํางานมันจะวิ่งเข้าเป็นเข้าไปเป็นอารมณ์แล้วจิตของเราจะทําหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆ ให้ตกใจได้ในขณะที่เรานอ น, อนหลับซึ่งมันจะมีปรากฏการณ์คล้ายๆกับนอนหลับแล้วหันไปแต่สามารถแก้ปัญหาข้อข้องใจได้ทีนี้นถ้าเราฝึกสมาธิโดยวิธีการอย่างนี้เราจะไม่เกี่ยงว่าไม่มีเวลาไม่เกี่ยงถึงหุู่บัสสัตก็เราสามารถที่จะทำสมาธิได้ทุกลมหายใจตลอดเวลาที่เรามีความตั้งใจอยู่ เขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือเอาการเขียนหนังสือเป็นอารมณ์นี่เมื่อก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมากรุงเทพนี่มีผู้หนึ่งฝากปัญหาไปถามเขาบอกว่าเขานั่งเขียนหนังสือเขียนไปเขียนมาปากตามันหายแผ่นกระดาษก็หายได้ยังเหลือแต่มือเปล่าเล่าแล้วทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้น ก็ในขณะนั่นจิตของเราคงเข้าจดจ้องอยู่การจับการเขียนหนังสือแล้วสมาธิมันเกิดพอสมาธิมันเกิดแล้วมันจิตมันจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทีแรกมันก็ปล่อยวางวัตถุภายนอกก่อนอยังปราบที่เบอร์คือกายของเราเองแต่ถ้าหากว่ามันสงบละเอียดลงไปกว่านี้มันจะปล่อยวางจนกระทั่งร่างกายของตัวเองร่างกายจะหายไปหมดยังเหลือแต่จิต ท, ที่สงบนิ่งระว่างอยู่อย่างเดียวเท่ า, ทานั้น ในเรื่องความเป็นไปของมันจะเป็นอย่างนี้และข้อสังเกต <c oughs> ในเมื่อท่านเริ่มฝึกขัดสมาธิแล้วถ้าหากมีสติสัมปชัญญะดีเจนกระทั่งสติของท่านตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดได้คล่องตัวโดยไม่มีการตั่งใจแต่สติเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเมื่อท่านมีปัญหาทางจิตใจ สติปัญญาตัวนี้จะแก้ไขปัญหาข้อข้องใจมีปัญหาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาต่างๆ